ถ้าเราจะเทียบกงโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเนันคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจำโตในโตในห้องขังเลยมม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกดูแต่ในห้องอยู่ในห้องขัง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 ไม่มีทางทราบได้เพราะเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กจะในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเทียงความฝุขความทุกข์ก็เท่าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ไม่มีอะไรได้ไปจากโลกนอกพอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แปกต่างจากโลกในคือเรือนจำ สิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเทียงกันพอให้ท้าบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั่นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั่นอย่าง น, นี้ไม่มีเขาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจําสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรโออยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก่อน เคยเป็นมาอย่างนั้นดังดังตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องจนไปได้อย่งไรจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู <nem is. S 2> ่ที่ไหนนะเพราเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเลขยันตีกันนี่ยประมาณกันอย่างนั้นอดอดอยากอยากขาดขาดแคลนตลอดถึงที่นอนหมอนมุง้งอาหารปัดใจมันอยู่ าสาศัทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปะนระนลักษณะของนักโทษในเรือนจำทั้งหมดมันก็อยู่กันตายได้ถ้าฉันไม่เคยเห็นลูกนอเขาเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเทียงว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่จิตแก่ใจอยากเสาะแสวงหาอย่าง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 ม, มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟไม่ทราบ ว, ว่าศาสนาธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นจากอัตจะกรธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนานี่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เดินจำเท่านั้นเกิดมาโลกนี้มีแต่โลกเดินจำเป็นพื้อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบ ว, ว่าอะไร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 มันเห็นแต่น้มใต้ถึงบ้านถึงเดือนที่เขาเทล่างสินร่างของไปแล้วก็ติดขังเนั้นมันก็เล่นมันก็สนุกสนานแหแกบ่ายงมันได้หยกสะดวกสบายรื่นลืล่นเพราะเห็นไรเพราะมันไม่เคยเห็นน้ำที่กว้าขงขวางที่ลึกยิง่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นลืงล่งมันเึิความสุขความสบาย แต่การไปมาหรือการแบบว่ามาหาทางตัวได้แล้วความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความลื่นลร่อยู่ตามน้ำต้ถึงบ้านทุนเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลำคลองนั้นเป็นอีกอย่างออมันสนุกสนานเที่ยวตามหันน้องความบึงจะของไล่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเนนต็นถนนนทาง ข้ามาเป็นโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเป็นเป็นร้อยๆเปันพันๆมันเป็นเป็อีกประเภทหนึ่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวข้างลาก็ได้แก่จิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความมั่นึงมันเต็มที่เกิดขึ้นจากอาตจักรธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ําในลําคองลื่นใน บึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขกับความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอย่างนี้ซึ่งเหมือนกับเรือนจำทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกและเหนือทีนี้่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตรธรรม น, บบนู้นมาตั้งแต่แดนนิพพานลงมาโดยลําดับลําดับ จนกระั่งถึงมนุษย์โลกขั้นที่แปลแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิ่ยงกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้มีมีเมื่อเราย่านจังอัดจังทำได้อ่านตามตหนัดตาลาเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเกรื้องความทุกข์ความทรมาน ที่ถูกบังคับขับสอยู่ภายในจิตใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตใจก็มีความรื่เนเริงมันถึงมีความโภกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากแต่งที่ปฏิบัติเกินไากฏผลขึ้นมาโดยลําดับลําดานั่นนหละร่วมเห็นกระแสทางโลกนอกพาดถึงเข้ามาแล้ว้จิตใจก็มีความดิ่นรนที่จะพยายามแหวกว่าออกให้พ้นจาก ความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเทียบเหมือนนักโทษในเรือนจำอันนี้แล้ยิ่งในปฏิบตัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงไรความประเกียบตะกายความอุตสาห์พยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็ค่อยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความความกดขีบ่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรม มันเป็นเครื่องปดเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปดเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภายนจิตใจบบาอกเบาใจนเป็นเครื่องเพิ่มศรทัทธาขึ้นโดยลําดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตามๆกัน ม, ม, มาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนตมอยู่ในตับแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาคน้นคิดคิดพิพพพจารณา แม้สิ่งอนนี้จะเคยเป็นค่าสิทมานมนานกระทกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจคิดกอดเกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทกกบกระเทือนทงางตาหูจมูกทิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาพอได้คิดโค้น บ, บ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมในรับการอบรมในฟื้นสติปัญญาเห็นตั้งโทษเห็นตั้งคุณ ถ้จาจักใจซึ่งเป็นของหนอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความค้่องแคลวที่จะคิดพินิจพิจรารณาเกิดความอาจหานหุดคน้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบบว่ายพยายามส่งเสริมไปโดยลาดับลาดับนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดปลื้งจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากดวนจำ ออกได้โดยลําดับลาดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยอย่าทิ้งโลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่เวลานี้ไหมตาก็ดึกพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในดวงจันทร์ความเป็นอยู่ภายในยกิเลสครอบงำนี้เป็นยังไง คว า, บ า, บางที่เบาบางกิเลสออกไปโดยลําดับมันดับจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับนับทีนี้มีโลกนอกตรไหนเข้าเทียบกันนด้ที่นี่คือความสุขความสมายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับเข้าตากรดความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบคั้นอยู่ก็ทราบทัดเห็นดูโทษพยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ล้นละความพากเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัว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 ที่ล้างความสุกนั้นให้หายไปดูระดับ no งนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภาย น, นอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภายในเิตใจมันก็เห็นคือความสุขที่มีที lipstick, ่มีอยู <Notes> ่ที่อยู่ท่าอํานาจของกิเล็กก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ท่าอำนาจของจิเล็กก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของนเอกประจากษ์กับใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แก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 ขึ้นทื่ว่าเรื่องของกิตเรสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแต่ไขปวดเครื่องรื้อถอนกันโดยลําดับเพื่ออำนาจแห่งสติปัญญามีความเพี้ยนเป็นเครื่องหม้นหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความหมุนโทษมีมากความเหมืุนผลมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพี้ยงไรเรื่องความภาพเพี้ยนก็ต้องมีมาก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 ระยะความภักเทียนที่จะทําตัวให้ดุต้นไปโดยลาดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบูรณให้ผ่านพ้นตปได้ก็มาโดยลำดับมาพร้อมๆกันนลยถ้าติดปัญญาที่ใค่ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักคํามที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียกว่ามัคคัมมมังคีค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจุดแห่งจิต ด, ดวงเดียวนี้ อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจารสัมมากัมมันต์ตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากรรมตระก็มีจะเดินจบกลมนั่งสมาธิพอแล้วทีนี้เออกรรมตรางานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมากสัมมังคีคือมากรวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แต่ เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องถาตุเรื่องฐานเรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัดเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏภายในจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกประเดิมดักไม่รอให้เสียดิล่ำเวลานะธรรมากรรมนตา ก, ก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆเนี่ยกรมมันตา ก, การงานชอบอที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำอน่านี้เกี่ยวกับทางใจก็ วิริยะคือความภากเปลี่ยนใน่ยธรรมะอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนา ก, ากันก็มีแต่สัญเลขาธรรมได้แต่ทำเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างทํานาล้างกิเลสอาชีวะออกพันธกิจใจเราจะทําด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกไปหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่ธรรมาวาจาธรรมากัมมันตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข่าศึกต่อจิตเรียกับเรื่องที่ขลิตอ่า อารมณ์เป็นค่าสิทธิจิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาพิษเลย้ยงชีดไม่ชอบแก้ไขายดันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขูกความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตนีเป็นอาหารที่เหมาะสมเหนือยเลี้ยงจิตชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้คือธรามวายมะเพียรชอบ เพีนเพียนอะไรมีเราก็ทราบท่านบอกเพียนในที่สี่สถานอะไรทันมาพยายามลาบากที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเนี่ยบาปคืออะไรก็คือความช่ร้าหมองความทุกข์นั่นเองแล้วบาปคืออะไรพยายามทั้งวมระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวังจิดที่มันจะคิดเที่ยวกว่านเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมูไทยพยายามนมาระวังนักสารนี่ แล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็พยายาให้มันเกิดขึ้นได้อีกหนัะนั่นก็เป็นเรวพยายามจะเลนสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเช่นเดียลฉาดท้านี้มากขึ้นโดยลําดับลำดับเนี่ยเป็นในสี่สถานจะมีที่ไหนสมปทานสี่ท่านว่าเออนันก็อยู่ในที่นี่สมาสติก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลา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 ตัวได้ด้วยคําปรุงอันนั้นเช่นคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธถามว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามเขับกาหนดคําบริกรรมถี่ยึบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานถือจิตขั้นที่เพลินต่องานมันเป็นมันมีเถอะไม่ได้แต่จะว่าเถอะมันก็พูดยากรามือไม่ได้วางง้นปุ่นยังไงเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดกระหางานเอาตอนนี้เราต้องให้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 เราจะพักนอนหลับกันนอนหลับให้สบายๆนะขนาะที่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทํางานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนตั้งหน้าทํางานนี่ที่ว่าทํางานเป็นชิ้นเป็นอันทํางานเป็นมรรคเป็นตอนทํางานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เรอเรียกว่าเป็นสมากรรมันตักชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ข้าวกายกันเป็นงานที่เหมาะสมยุ่งสมาธิต่อยไม่ได้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 แม้ต่รับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ให้มันเสียไปยลผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกําลังจากการรับทานได้กําลังวางใจขึ้นมาเพื่อประกอบการหน้าที่ทํา ง, งานต่อไปได้อีกเนี่ยเงินจะเสียไปเข้าของกินอะไรต่งางๆที่เรานำมาท า, านจะเสียไปเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในในร่างกายของมันจะเป็นอะไรไปมันเสียไปเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรถา้าในรับทานกําลังจะามาจากไหนต้องรับทานเส <antic pencil. S 2> <ๆ>ียไปก็เสียไปเพื่อกําลัง เพื่อให้เกิดกําลังขึ้นมานี่การาพักสมาธิในขณะที่พักให้มีความสงบความสงบนั่นแหลเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับนิไม่รับหินปันทุกทุกๆิพทิพมาทราบเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดอยากถอนโดยทะเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็น สึ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกํำลังเต็มแล้วมันก็เหมือนชิ้นมีดไม่ได้รับหินนั่นเองฟันทุบๆติดๆไม่ค่อยขาดง่ายๆเสียกําลังบางชาตกต่อๆเพราะฉะนั้นตัวความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนก็เหมือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักท่าพักขันคือจักรกายก็มีกําลังพักจิดก็มีกําลังด้วยพอมีกําลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้ว อารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บำเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กําหนดลงไปนี่มันขาดทะลุไปเลยาวทำเหมือน ก, นกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรือรัานอาหารให้สบายรับมีดรับพ้าให้เรียบร้อยแล้วไปฟันไม้พอนนั่นแหละคนคนนั่นแหละมีดเล่มนั่นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลงมีดก็คมคนก็มีกํำลังมีอารมณ์ก็อารมณ์อันนั่นแหละ ปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับผินแล้วกําลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหมุนปัญญาจึงมแทงทะลุปไปได้อย่างรวดเร็วผิด ก, กับเราไม่ทักในสมาธิเป็นนไหนๆปัญหาเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิงเป็นทำเกี่ยวเรื่องกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทํางานในวาระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทําสมาธิก็ทําเกียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัต เต็มทำเต็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นมวิตติกําลังแล้วก็พิจารณาลงมาให้เป็นเหตุเต็มผลเวลาจะพักก็พักให้เต็มที่เป็นฐานเหมือนกันเวลาให้ให้เป็นกลเนาะละเวลาให้ก้าวกากันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วเวลาเข้าสมาธิทั้งจะสนเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทั้งไหนจะทํางานอะไรให้ ท, ทําเถอะอย่างนั้นจริงๆ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 ความบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก็สอสร้งออได้เราก็เห็นคุณค่าขอางอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเดลสอยู่ที่ไหนพบชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจตรงใจทั้งหมด น, นั้นเป็นกิ่งกลางสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอกต่นั้นต้นหนของมันมจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่ง น, นั้นรอกเข้ามาลอกเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียดนี้ทั้งหมดวัตตะวนไม่ได้แก่อะไรได้จะจิต ด, ดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้ายเกิดให้กายมีเท่านี้เพราะอะไรเพราะเชื่องมันมีอยู่ภายในเมื่อใดท้าสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลาดับลําดับดับจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการล้าคันมีอธิชฐาเป็นสิ่งสําคันมากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ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 พิจารณาเอาเอันนั้นแหะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายของการพิจารณาอ้าวอันนี้จะสลายลงไปเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจบเหมือนกันก็ให้รู้สะถือเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเพื่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงถ้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะคิดหายลงไปให้คิบหายแน่ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณานี้จะคิดหายไปตามเขาก็ให้รู้อ่ะ เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นตอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ไม่เก็ไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นพิจาราให้ถุงความกินไปด้วยกันหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของสมมติที่จะเอื้อเข้าไปถึงจะไปทําลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิธรรมชาติเปงความบริรรสุทธิ์นี้จะ ม, มีอะไรทําลายได้เลยวิริยเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดับไปได้เพราะนั่นถึงชําระได้ มีมากมูนขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดทึ้นไปก็ได้เพราะเป็นเรื่อของสมมติเนี่ยการจิตล้นล้วนจึงเป็นธรรมชาติเดียวกว่าวิมตุตถ้าลุ้บริสุทธิ์ได้เรียวกว่าวิมตุตถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แจ้ง น, นี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นวิ ม, มุตตนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ต่อไปไม่ได้อีกก็ไม่ชาติจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก พราะมพ้วิสัยที่จะทําแล้ววิสัยที่ทําก็มีแต่เรื่องสมมติตางา น, นเมื่อแ ก, ก้สมมติออกจากใจหมดแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอะไรคิดหายจริงทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปไม่รู้ดความดับทุกก็ดับไปมัดเครื่องประหารสมมุทยก็ดับไป ถ้าจะทําทั้งสี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นทุกก็ดับสมุทัยก็ดับนิโรดก็ดับมรรคก็ดับนะ่ะตามเด็อะไรที่รู้วันนี้ทุกดับไปสมุทัยดับไปนิโรดดับไปมรรคดับไปนะ่ะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นดับไปผู้นี้แหละผู้ไม่ใช่สนะัจธรรมผู้นี้ผู้เหมือนสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้น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 ประกาศธรรมของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แหละไปสอนสอนโลกสาสนมธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแหงการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกของสมุทยัยของนิรุตของมรรเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับปิตยงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบําเพ็ญทุกิทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความมรรส นี่ออกโลกนอกแล้วทีนี้นะออกจากเรือนจําแล้วไปสู่โลกนอกนอกโลกอิสระเสรีอโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครหยัดไปกันพ่อไม่เคยเห็นนะนี่โลกอันนี้เป็นโลกสําคัญโลกุตละฮะเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบกับโลกนอกนอกจากสมมุติทั้งหมด เราเรียกว่าโรคไปอย่างนั้นน่ะเพราะโรคมันมีสมมติก็ว่าอะอย่งั้นนี่ น, น, ะ, นะพิจนามันออกจากที่คุมขังนี่สิเกิดก็เกิดใ้ที่คุมขังอยู่ก็อ ย, อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังนี่นั่นมั่นแะตายนอกจากเรือนจำพระที่อ๋อมันนอกเรือนจํารัทีี่ยแสนสบายแสนสบายดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายาท่านก็เกิใเดในเรือนจนําเหมือนกันแต่ท่าน ออกกระตายนอกเรือนจำอือออกกระตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลกกดขีบังคับนี้วันที่เจนิญน า, าละการแสดง ค, ครรมพเห็นว่าสุขสวยขอยุดตื